สถานีวิทยุครอบกรัวข่าวสอตรอร์ร์เอฟเอ็มกข้าพเจ้าพระมหาใบบูนอภิปุณโญในช่วงของวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังโดยในวันจันทร์ถึงพูดนั้นจะนำเรื่องราวที่เป็นในทางคำสอนไม่ว่าจะเป็นพระสูตรบ้างส่วนที่เป็นคำอธิบายบ้างเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติบ้างมาพูดคุยให้กันฟัง เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้นําเรื่องของเศรษฐีขี้เหนียวที่ถูกท่านพระมหาโมคลานะไปปราบทิฏฐิที่ไม่ดีบอกสอนเอาไวา้นั่นคือเรื่องของเศรษฐีที่ชื่อว่าโกศิยะเหนียวมากทั้งบุญบังแต่ในที่สุดก็ถูกแก้ไขปราบทิฏฐิโดยท่านพระมหาโมคลานะได้เรื่องนี้ไม่ใช่เคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในกรณีที่ท่านพระมหาโมคลานะ ไปสั่งสอนเศรษฐีคนนี้แต่ยังมีเรื่องราวที่เป็นไปในอดีตชาติที่เป็นนิทานชาดกที่ท่านได้ขยายความเอาไว้ชื่อว่าเรื่องของอิละลีสะชาดกอันที่เป็นตอนขยายความต่อแล้วว่าอ๋อที่สมัยก่อนนี่เคยเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นระหว่างพระมหาโมกขลณนะกับเศรษฐีที่ชื่อกอสิยานี้เรื่องราวนี้ก็มีมาในชาดกที่เรียกว่า อิลาลีสาชาดกนะะพระพุทธเจ้าจะนําเรื่องนี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังนั่นคือเรื่องนี้เกิดมาในสมัยตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่นนในชาตินั้นเนี่ยคือโกศิยะเศรษฐีกับพระมหาโมคลานะใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธะแล้วนะแต่ในก่อนก่อนนู้นตอนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธะยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยพระมหาโมคลานะไม่ใช่เป็นพระมหาโมคลานะนะท่านเป็นเท้าสักเทวราช เศรษฐีที่ชื่อโกศิยะเนี่ยไม่ได้เป็นเศรษฐีโกศิยะนะท่านเป็นเศรษฐีที่ชื่ออิละลีสะเรื่องเดิมเป็นอย่างนี้ท่าวงในอดีตการครั้งพระเจ้าพระมทัตร์เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงปราณสีเศรษฐีชื่ออิละลีสะมีท80โกธประกอบด้วยลักษณะอันเป็นโทษหลายอย่าง คือเป็นคนกระจอกเป็นคนง่อยตาเลไม่มีศรัทธาไม่เลื่อมใสตรนีไม่ให้แก่คนอื่นและไม่บริโภคด้วยตนเองด้วยแต่มารดาบิดาของท่านเศรษฐีเป็นผู้ให้ทานเป็นทานบดีมาเจ็ดชั่วตระกูลกรันอิละดีสะนั้นได้ตำแหน่งเศรษฐี ก็ทำลายสกุลวงเสียเผาโรงทานเขี้ยนขับไล่พวกยาจกเก็บแต่ทรัพย์เท่านั้นวันหนึ่งอิระลีสะนั้นไปเฝ้าพระราชาขณะเดินมาเรือนของตนเห็นคนบ้านนอกผู้หนึ่งเน็ดเหนื่อยจากการเดินทางถือขวดเหล้ามาขวดหนึ่งนั่งบนต่างน้อย รินเหล้าใส่จอกสำหรับดื่มสุรารสเปรี้ยวแล้วดื่มอยู่แกล้มด้วยแกงออมใส่ปลารา้าอิละลีสะก็นึกอยากดื่มบ้างคิดว่าถ้าเราจะดื่มสุราเมื่อกำลังดื่มคนเป็นอันมากก็จะอยากดื่มบ้างความสิ้นเปลืองทรัพย์ก็จะมีแก่เรา เศษีอิละลีสะนั้นอดกลั้นความอยากไว้ครั้นเวลาผ่านไปไม่อาจอดกลั้นได้เลยเป็นคนตัวเหลืองเหนื้อตัวสะพังไปด้วยเส้นเอ็นเหมือนใบฝ้ายที่แก่แล้วครั้นวันหนึ่งเขาจึงเข้าห้องนอนเข้าไปซุกอยู่ที่เตียงน้อยภระยาเข้าไปรูปหลัง พางถามว่าไหนท่านไม่สบายเป็นอะไรหรือทอยคาทั้งหมดพึงทราบโดยทานองที่กล่าวแล้วในหนหลังนั่นแหลเมื่อภรยากล่าวว่าถ้าฉช่นนั้นที่ฉันจะปรุงสุราให้พอแก่ท่านผู้เดียวเท่านั้นเศรษฐีดำริว่าก็เมื่อปรุงสุราในเรือนคนเป็นอันมากจะต้องมุงดู ให้ไปซื้อมาจากร้านตลาดแต่ไม่อาจนั่งดื่มในที่นั้นได้จึงให้เงินไปประมาณมาสกหนึ่งให้ไปซื้อเหล้ามาจากตลาดกววหนึ่งให้บ่าวถือออกไปจากเมืองถึงฝั่งแม่น้ำหลบเข้าสู่พุ่มไม้พุ่มหนึ่งให้บ่าววางกวดเหล้าไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าไปเถิดก็ให้บ่าวไปนั่งเสียไกล รินเล่าใส่จอกเริ่มดื่มสุราส่วนบิดาของเศรษฐีอิละลีสะนั้นเกิดเป็นเท้าสักกะเทวราชในเทวโลกเพราะทำบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้นขณะนั้นเท้าเธอมีความดำริว่าทานของเรายังเป็นไปอยู่หรือไม่หนอะ ครั้นไม่เห็นการให้ทานเกิดขึ้นและเห็นบุตรทำลายสกุลบงเสียเผาโรงทานขับไล่พวกยาจกทั้งอยู่ในความตรณีกำลังเข้าพ่มไม้ดื่มสุราเพียงผู้เดียวเพราะกลัวว่าจะต้องให้แก่คนอื่นๆตาส ก, กะจึงมีพระดำริว่าเราต้องไปขนาบทรมาน อิละลีสะนั้นให้รู้ความสัมพันธ์แห่งกรรมและผลแห่งกรรมแล้วให้บำเพ็ญทานทำให้เขาเหมาะสมที่จะเกิดในเทวโลกดังนี้แล้วก็เสด็จลงมาสู่ทินมนุษย์ทรงในรมิตตนให้เป็นเหมือนท่านเศรษฐีอิละลีสะแล้วก็ไปสู่พระนกรพระนศีหยุดอยู่นะ ถวานพระราชนิเวศให้กราบทูลการที่ตนมาเมื่อพระราชาให้อนุญาตว่าเข้ามาแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาแล้วยืนอยู่พระราชามีพระธรรมตรามว่าท่านมหาเศรษฐีเหตุไฉนท่านจึงมาเวลานี้ท้าวสกัดที่จําแลงกายเป็นเศรษฐีจึงกราบทูลว่า ขอ ด, ดิชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ามาโดยประสงค์ว่าในเรือนของข้าพระพุทธเจ้ามีทรัพย์อยู่ประมาณ80โกดขอพระองค์ได้โปรโดให้ขนมาเข้าท้องพระคลังของพระงองค์เถิดพระราชาอย่าเลยท่านมหาเศรษฐีทรัพย์ในวังของเรามีมากกว่าทรัพย์ของท่านเศรษฐีจำแลงกายขอดชะถ้าพระองค์ไม่ต้อง พระประสงค์ข้าพระองค์จะจ่ายทรัพย์ให้ทานตามความพอใจพระเจ้าพระราชาให้เถิดเศรษฐีเศรษฐีได้รับพระบรมราชานุ ญ, ญาตแล้วถววยบังคมพระราชาออกไปสู่เรือนของอิละลีสะเศรษฐีพวกมนุษย์ผู้เป็นอุปตากทุกคนก็พากันแวดล้อมไม่มีผู้ใดแม้สักคนหนึ่ง ที่จะสามารถรู้ว่าท่านผู้นี้ไม่ใช่อิละลีสาเศรษฐีครันเทาสกะเตวราชเข้าสู่เรือนแล้วยืนที่ธรณีประตูด้านในเรียกนายประตูมาแล้วสั่งว่าผู้อื่นคนใดมีรูปคล้ายเราพยายามจะเข้ามาแล้วกล่าวว่านี่เรือนของเราพวกเจ้าพึงเคี่ยนหลังคนนั้นแล้วไล่ไปเสีย ดังนี้ท้าวสกกะเทวราชที่จำรงกายนั้นก็ขึ้นสู่ปราสาทนั่งเนื้ออาสนะอันโออาให้เชิญภรยาท่านเศรษฐีมาหาแสดงอาการอย่างท่านเศรษฐีไม่มีผิดกล่าวว่าหนังผู้เจริญเราให้ทานกันเถิดภรยาบุตรธิดาและท่านกรรมกร ได้ยินถ้อยคาของเท้าเถอานั้นแล้วพากันกล่าวว่าตลอดกาลนานเห็นป่านนี้ความคิดที่ท่านจะให้ทานไม่มีเลยแต่วันนี้ดื่มสุราแล้วเกิดใจดีอยากให้ทานเป็นแน่ที่นั้นปริยาท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าท่านเจ้าขาเชิญท่านให้ทานตามพอใจเถิดเท้าสักกะถ้าเช่นนั้น เธอจงเรียกคนตีกรองมาให้นำกรองไปเที่ยวตีประกาศทั่ววรนครว่าผู้ใดที่ต้องการเงินทองแก้วมณีและมุกดาเป็นต้นจงพากันไปสู่เรือนของอิละลีสะเศรษฐีคนตีกรองก็ได้กระทำอย่างนั้นแล้วมหาชนต่างพากันถือภาชนะมีกระเช้ากระถอเป็นต้น ไปประชุมกันที่ประตูเรือนเท้าสั ก, กะส่งให้เปิดห้องอันเต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการหลายห้องกล่าวว่าเราขอให้แก่พวกท่านพวกท่านจงพากันขนเอาไปจนพอต้องการเถิดมหาชนพากันขนซับออกไปกองไว้ที่พื้นโถงบรรจุลงภาชนะ ที่นำมาจนเต็มแล้วจึงพากันไปฝ่ายมนุษย์ชนบทคนหนึ่งเทียมโคคู่ของอิระดีสะเศรษฐีที่รถของท่านนั่นแหละบรรทุกเต็มไปด้วยรัตนเจระการออกจากพระนครเดินไปตามทางหลวงขับรถไปไม่ห่างพุ่มไม้นั้นขับไปพลาง กล่าวถึงคุณของท่านเศรษฐีไปปลังว่าเจ้าพวกคุณเอ๋ยท่านอีละลีศาสตรีจงมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีเถิดคราวนี้เราไม่ต้องทำการงานเลี้ยงชีพไปจนตลอดชีวิตแล้วเพราะอาศัยท่านรถนี้ก็ของท่านโขกู่นี้ก็เป็นของท่านเหมือนกันแก้วเจตประการก็ในเรือนของท่านมารดาเล่าก็ไม่ได้ให บิดาก็ไม่ได้ให้เราเราได้นี้ก็เพราะอาศัยท่านเศรษฐีแท้ๆดังนี้อิร ล, ลีสาเศรษฐีครังดังนั้นแล้วเกิดกลัวหวาดผวาฉุกใจคิดว่าคนผู้นี้เอาชื่อของเรามากล่าวอ้างถึงเรื่องนี้เรื่องนี้พระราชาพระราชทานทรัพย์ของเราแก่ชาวโลกเสียกระมังหนอะ เขาจึงโผล่ออกจากพุ่มไม้จำโคและรถได้กล่าวตวาดว่าเฮ้ยไอบ่าวชาติชั่วโคก็อของกูรถก็อของกูเขาพลางวิ่งไปจับโคที่สายตาพายคนผู้นั้นก็ลงจากรถแล้วกล่าวว่าเฮ้ยไอบ่าวชั่วท่านอิะระลีาสาเศรษฐีให้ทานแก่คนทั้งเมือง มึงเป็นอะไรเล่าเกาพลางวิ่งไปหาทุบที่ต้นคอเหมือนฟ้าฟาดแล้วดึงรถมาขับต่อไปฝ่ายท่านอิราลีสาเศรษฐีลุกขึ้นงันงกปัดฝุ่นแล้ววิ่งไปยึดรถไว้อีกบุรุษผู้นั้นก็ลงจากรถจิกผมให้ก้มลงท้องด้วยศอกจับคอเวียง กลับไปในทางที่มาแล้วก็หลีกไปพอโดนเข้าอย่างนี้ความเมาสุราของท่านเศรษฐีก็หายเป็นปลิดทิ้งงกงกเงืน่นเงินเดินไปสู่ประตูนิเวศอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นมหมาชนพากันขนทรัพย์ของตนไปก็ตะโกนว่าพ่อคุณนี่มันเรื่องอะไรกัน พระราชารับสั่งให้มารุมปล้นทรัพย์ของข้าหรือไรแล้วก็ไปจับคนนั้นคนนั้นไว้คนที่ถูกจับก็ช่วยกันทุบตีจนลม้มลงใกล้เท้านั่นเองเศรษฐีเจ็บปวดหนักมุ่งจะเข้าเรือนพวกเฝ้าประตูพากันร้องว่าเฮ้ยไอ้เครือบดีตัวร้ายมึงจะเข้าไปไหน พลางหัวดด้วยเรียวภัยจับคอสออกไปเศรษฐีคิดว่าคราวนี้เว้นพระราชาแห่งเว้นแคว้นแล้วใครอื่นที่จะเป็นที่พำนักของเราไม่มีแล้วเศรษฐีจึงไปสู่ราชสำนักกราบทูลว่าถ้าแต่สมุติเทพพระองค์สั่งให้คนปล้นเรือนของข้าพระองค์หรือพระชกาา้าพระราชาท่านเศรษฐี เราไม่ได้ให้ปล้นท่านนั่นแหละมาหาเราแล้วบอกว่าถ้าจะไม่รับทรัพย์เอาไว้ก็จะให้ทรัพย์นั้นเป็นทานแล้วให้คนเที่ยวตีกลองเป่าร้องในพระนครแล้วให้ทานมิใช่หรืออิรัลีสาเศตษฐีขอยดชข้าพระองค์ไม่ได้มาสู่สำนักของพระองค์เลยพระองค์ไม่ทรงทราบความที่ ข้าพเจ้าเป็นคนตรณีหรือพระเจ้าข้าข้าพเจ้าไม่ยอมให้แม้แต่หยดน้ำมันด้วยปลายยาคาแก่ใครๆข้าแต่สมุติเทพขอได้ทรงพระกรุณาโปรดเรียกคนที่ให้ทานนั้นมาทรงพิจารณาเถิดพระเจ้าข้าพระราชาจึงรับจังให้เรียกเท้าสักกะที่แปลงตนเป็นเศรษฐีมาความต่างกันของคนทั้งสอง พระราชาไม่ได้ทรงทราบเลยพวกอมตะก็ไม่ทราบท่านยิะระลีสาเศรษฐีผู้ตนนีจึงกราบถูนขึ้นในที่นั้นว่าข้าแต่สมุทิเทพพระองค์ทรงจำไม่ได้หรือข้าพระองค์เป็นเศรษฐีคนนี้ไม่ใช่เศรษฐีพระราชาเราจำไม่ได้เลยยังมีใครที่จะพอจำท่านได้บ้างเล่าอิะระลีสาเศรษฐี ภรยาของข้าพระองค์สิพระชก้าพระราชาจึงรับสั่งให้ภรยาเข้าเฝ้าตรัสถามว่าสามีของเธอคนไหนนางจึงกราบทุนว่าคนนี้พระชาคา้าแล้วได้ยืนใกล้เท้าสักกะหนึ่นงพระราชาเรียกบุตรธิดาทาากรรมกรมาถามทุกคนพากันยืนในสำนักของเท้าสักกะตั้งนั้น ท่านเสดีกลับคิดได้ว่าที่ศีรษะของเรามีปุ่มอยู่ผมปิดไว้มิดชิดมีแต่ช่างกระบบคือช่างตัดผมคนเดียวเท่านั้นที่รู้ปุ่มนั้นต้องเรียกช่างกระระบบมาคิดดังนี้แล้วจึงกราบถูลว่าข้าแต่สมุติเทพช่างกระระบบคงจำข้าพระองค์ได้โปรโดเรียกเขามาเถิดพระเจ้าข้าก็ในครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ได้เป็นช่างกลระบบของท่านอิละลีาสาเศรษฐีพระราชาจึงมีพระกระเสรรับสั่งให้เรียกมาแล้วตรัสถามว่าช่างแต่ผมจำอิละลีาสาเศรษฐีได้ไหมช่างกลระบบข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ตรวจ ด, ดูศีรษะแล้วคงจำได้พระชจ้า้พระราชาถ้าเช่นนั้นท่านจงตรวจ ด, ดู ศีสากของคนทั้งสองเถิดท่านใดนั้นเท้าสักกะก็บันดาลให้เกิดปุ่มขึ้นที่ศีรษะพระโพธิสัตว์ตรวจดูศีรษะแม้ของคนทั้งสองก็เห็นปุ่มเหมือนกันจึงกราบทุนขึ้นมากข้าแต่สมุติเทพที่ศีรษะของคนทั้งสองต่างมีปุ่มอยู่เหมือนกันในท่านทั้งสองนี้ ข้าโรงไม่อาจจำได้ถึงความเป็นตัวอิร ล, ลีสะสักคนเดียวพระเจ้าค่าท่านเศรษฐีฟังคมของโพธิสัตว์ช่างกระบกคือช่างตัดผมแล้วเท่านั้นก็ตัวสั่น ง, งันงกไม่อาจตั้งสติไว้ได้เพราะความโลภในทรัพย์ล้มลงตรงนั้นนั่นเองในขณะนั้นเทา้าสกกะจึงได้กล่าวว่าดูก่อนมหาราช เราไม่ใช่อิละลีสะเศรษฐีหรอกเราเป็นเท้าสักกะและได้ประทับยืนอยู่ในอากาศด้วยท่าทางอันสง่าพวกอมัดช่วยรูปหน้าท่านอิละลีสะเศรษฐีแล้วราดด้วยน้ําอิละลีสะเศรษฐีรีบลุกขึ้นยืนไหว้เท้าสักกะเทวราชทันใดนั้นเท้าสักกะ ซึงกล่าวกับท่านเศรษฐีว่าอิลาลีสะทรัพย์นี้เป็นของเราไม่ใช่ของท่านเพราะเราเป็นบิดาของท่านท่านเป็นบุตรของเราเราทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นถึงความเป็นท้าวสักกะแต่เธอมาตัดวงของเราขาดสิ้นเป็นผู้ไม่ยอมให้ทานตั้งอยู่ในความตรณีเผาโรงทาน ขับไล่พวกหยาจกเอาแต่สั่งสมทรัพย์บริโภคเองก็ไม่ยอมบริโภคให้คนอื่นก็ไม่ให้ทำตนเหมือนราศกคือผีเสื้อสมุดห่วงสระน้ำถ้าเตอกับสร้างโรงทานให้เป็นปกติแล้วให้ทานนั่นจะเป็นความฉลาดหากไม่ให้ทานเราจะทำทรัพย์ของเธอให้อันตรทานไปจนหมด แล้วจะตีศีรษะด้วยอินทรวัชะนี้ให้สิ้นชีวิตอิละรีสัเศรษฐีถูกคุกคามด้วยมหาภัยจึงได้ให้ปฏิญญาว่าตั้งแต่บัด น, นี้ข้าพเจ้าจะให้ทานท้าวสั ก, กะรับปฏิญญาของท่านเศรษฐีแล้วประทับนั่งในอากาศนั่นแลแสดงธรรมชักนําให้เศรษฐี ดำรงในศีลแล้วเสด็จไปสู่สถานกองเท้าเธอแม้อิลาลีศาเศรษฐีก็กระทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นได้เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในปลายภาคหน้าพระาศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่โมคลานะทรมานเศรษฐีตรณี ถึงในครั้งก่อนก็ทรมานมาแล้วเหมือนกันครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประชุมชาดกว่าอิลารีสาเศรษฐีในครั้งนั้นได้มาเป็นเศรษฐีผู้มีความตระณีในครั้งนี้ท้าวสักเทวราชได้มาเป็นโมกขลานะพระราชาได้มาเป็นอานน์ส่วนช่างกระบก ได้มาเป็นเราตรากูละนี้แหละเรื่องอีลาลีสะชาดกจบและนั่นคือเรื่องราวของท่านเศรษฐีที่ชื่อว่าโกศยะเศรษฐีซึ่งเคยตรณีมาก่อนในเรื่องที่สอนที่จะให้ฟังในวันนี้ก็เป็นเศรษฐีอีกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ก็เคยตรณีมาก่อนแล้วก็แก้ไขทิฏฐิปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ด้วยการที่มีเพื่อนดีชักนํำพาไปเศรษฐีคนนี้ก็เหนียวมากละ่และแต่ก็ยังเหนียวน้อยกว่าโกศยาเศรษฐีนั่นคือโกศยาเศรษฐีเนี่ยตัวเองก็ไม่กินแล้วก็ไม่แบ่งคนอื่นกินด้วยนะแต่เศรษฐีคนนี้เขาก็ยังแบ่งนิดนึงแา่คำว่านิดนึงเนี่ยคือแบบให้แค่หยิบมือเดียวในลักษณะการหยิบมือให้เนี่ยเขาจึงมีภาษาเรียกว่าเหมือนกับแมวแตะแตะดมดมดูแค่นี้ ก็จึงมีศัพท์ที่เรียกว่าเป็นเศรษฐีตี่นแมวเป็นฉายาที่มอบให้กับเศรษฐีที่แบบให้ก็ให้นิดเดียวจะให้น้ําพึ่งก็ให้แค่หยดเดียวจะให้ข้าวก็หยิบแค่2นิ้วหรือ3มนิ้วจิกให้ก็สอสมเมตรเท่านั้นเองในเรื่องของเศรษฐีที่ชื่อว่าเศรษฐีตี่นแมวเมื่อเราฟังเรื่องนี้กันแล้วได้ข้อมูลรู้แล้วว่าเป็นยังไงก็ขอลารายการกันไปเลยเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่าผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภ่พุน่นอง พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเฉตวันทรงปรารกเษฐีชื่อพิลาละปตกะแปลว่าเษฐีตีนแมวรัพระธรรมเทศนานี้ว่ามาวะมันเยธะปุญญัสระนะมตังอาคมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะอุทะกุมโภปิปูรติ อปุระติทิโรปุญญสสะโธกังโธกังปิอาจินังแปลว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึงแม้ม่อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาที่ระยาดระยาดได้ฉันใดเทือชนผู้มีปัญญาสร้างสมบุญ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 ชักชวนคนอื่นด้วยเขาย่อมได้ทั้งโภคาสมบัติและบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วตอนบัณฑิตเรี่ยอะไรของทำบุญกรณนั้นบัณฑิตบุรุษผู้หนึ่งฟังธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าโอ้เหตุนี้น่าสะรจแบบ น, นี้เราจะทำกรรม ที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสองจึงกราบทุนพระาศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรวงนี้ขอพระองค์ทร ง, งรับภิกษาของพวกข้าพระองค์พระาศาสดาก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไรบุรุษผู้นั้นด้วยภิกษุทั้งหมดพระเจ้าข้าพระาศาสดาทรงรับแล้วแม้เขา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 ภาชนะที่แกถือมาหลังนี้แล้วเอานิ้วมือสามนิ้วหยิบได้ให้ข้าวสารหน่อยหนึ่งถั่วเขียวถั่วราชมาศก็เหมือนกันแหละตั้งแต่นั้นใสทษีนั้นจึงมีชื่อว่าพิลาละปัทกกะแปลว่าตีนแมวแม้เมื่อจะให้เพศสัตว์มีเนยใส่และน้ำอ้อยเป็นต้น เขาเอียงปากขวดเข้าที่หมอทำให้ปากกวดนั้นติดเป็นอันเดียวกันให้เพสัตมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงตีระหยดระหยดได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้นอุบาสกทำวัตถุทานที่คนอื่นให้โดยรวมกันแต่ได้ถือเอาสิ่งของที่เศรษฐีนี้ให้ไว้แผนหนึ่งต่างหากตอน เศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำของบุรุษผู้เรียรยัยเศรษฐีนั้นเห็นกิริยาของอุบาสก น, นั้นแล้วคิดว่าทำไมหนอเจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้ประแห น, น่งหนึ่งจึงส่งจูรุประฐากคืออุปัากคนสนิทคนหนึ่งไปข้างหลังเขาโดยสั่งว่าเจ้าจงไป จงรู้กรรมที่เจ้านั่นทำอุบาสกนั้นไปแล้วกล่าวว่าขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐีเรงนี้แล้วก็ได้ใส่ข้าวสารหนึ่งถึงสองเมล็ดเพื่อประโยชน์แก่ยาคูพัดและขนมใส่ถั่วเขียวถั่วราชมาดบ้างหยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบ้างลงในภาชนะทุกๆภาชนะ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 เศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้วมีความคิดว่าก็เรามาด้วยตั้งใจว่าพอมันเอ่ยชื่อเราขึ้นว่าเศรษฐีชื่อนนทถือเอาข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้เราก็จะฆ่าบุรุษนี้ให้ตายแต่บุรุษนี้ทำทานให้รวมกันทั้งหมดแล้วกล่าวว่าทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยธนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดี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 และอุบาสกนั้นถามว่านี่อะไรกันเสธีนั้นจึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมดเมื่อพระศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแล้วจึงตรัสถามผู้ขวนควายในฐานว่านี่อะไรกันเขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้วแล้วมาตอนยาดูมิ่นบุญว่านิดหน่อยทีนั้น พระาศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่าในยะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเศรษฐีอย่างนั้นพระชจาข้าอุบาสกขึ้นชื่อว่าบุญอันใครไกลไม่ควรดูหมิ่นว่านิดหน่อยอันบุคคลถวายทานแกภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้วไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นของนิดหน่อย ด้วยว่าบุรุษผู้บัณดิตทำบุญอยู่ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปากย่อมเต็มไปด้วยน้ำฉะนั้นนันนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระกาานี้ว่าบุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มาถึง แม่หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมาที่ระหยาดระหยาดได้ฉันใดทิ่รชนผู้มีปัญญาสร้างสมบุญแม้ตีละน้อยละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉะ น, นั้นบาลีว่ามาวามันเยตะปุญยสระนะมัดตังอาคภมิสติอุทะพินทุนิปาเตนะ อุทะกุมโภปิปูรติอาปูรติทีโรปุญญาสัโทโขกลงโขกลงปิอาจินังในการจบเทศนาเศรษฐีนั้นมันรู้โสดาปฏิผลแล้วประธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แล้วแม้แก่บริษัทที่มาประชุมกันดังนี้แหละเรื่องเศรษฐีชื่อพิลาละปตกะ